จเจริญพรโยมอันนี้มีใหม่ใหม่หน้าตาน่ากลัวจะปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่เป็นบริษัทเป็นอะไรมันก็ต้องสวจบัญชีแล้วว่าจะกําไรจะขาดทุนปีนี้จะจ่ายโบนัสเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องเริ่มคิดนักปฏิบัติก็เป็นบริษัทนะเรียกพุทธบริษัท แต่บริษัทของเราเป็นบริษัทอิสระเหมือนอาชีพอิสระนะแต่ลรคนรทำของตัวเองเราต้องสำรวจตัวเองว่าตลอดปีที่ผ่านมากำไรหรือขาดทุนการปฏิบัติต้องสำรวจตัวเองเป็นระยะระยะนะทุกๆไตรามาสควรจะดูทีหนึ่งแล้วครบปีก็ควรจะดูสักทีหนึ่งไม่งั้นเสียเวลาจัดงานปีใหม่นะฉลองหลงๆไปไม่มีประโยชน์อะไร เอาปีใหม่มาเป็นหลักกิโลตรวจสอบตัวเองสักครั้งหนึ่งนะว่าหนึ่งปีนี้ได้อะไรบ้างสามเดือนได้อะไรหกเดือนได้อะไรเก้าเดือนได้อะไรปีหนึ่งได้อะไรบ้างถ้าปีหนึ่งแล้วขาดทุนนะต้องทบทวนตัวเองให้มากๆเลยขาดทุนภาวนาแล้วเสื่อมถอยอะไรเนี้ยหรือหลงไปกับโลกมากขึ้นมากขึ้นลืมเนื้อลืมตัว หรือว่าปีหนึ่งที่ผ่านมากำไรเคยหลงยาวก็หลงสั้นนะเคยทุกนานก็ทุกสั้นเคยทุกแรงแรงก็ทุกน้อยลงมาสำรวจตัวเองดูถ้าคนใดปฏิบัติถูกต้องตามวิธีที่พระพุทธเจ้าบอกปฏิบัติได้ถูกต้องตามวิธีที่ท่านสอนและปฏิบัติสมควรเกียธรรมือไม่ใช่ทำหย่อยๆแย่ๆแต่ตั้งใจทาจริง ถ้าตั้งใจจริงๆแล้วก็ถูกวิธีเนี่ยอย่าว่าแต่ปีหนึ่งเลยนะเดือนหนึ่งก็จะเห็นผลธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เห็นผลรวดเร็วนะท่านบอกธรรมะของท่านเป็นธรรมะของมหาบุรุษไม่ใช่เฉพาะของผู้ชายนะธรรมะมหาบุรุษหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ผู้หญิงก็เป็นมหาบุรุษได้ธรรมะของท่านเป็นธรรมะที่ให้ผลเร็วต้องมีผลเร็ว เราจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้อย่างรวดเร็วญาติโยมมาเรียนกับหลวงพ่อเยอะขึ้นทุกทีทุกทีทําไมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนจนํานวนมากเห็นผลของการปฏิบัติอย่างบางคนภาวนามาตั้งสิบปียี่สิบปีห้าสิบปีก็มีภาวนาแล้วมีแต่สงบแล้วก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบกี่ปีกี่ปีก็อยู่แค่นี้ เนี่ยถ้าทบทวนตัวเองนะสำรวจประเมินผลก็จะพบว่าไม่ผ่านทำแล้วไม่มีกำไรเลยทำแล้วเสมอตัวหรือขาดทุนอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อผ่านมาช่วงหนึ่งเนี่ยบางคนแค่เดือนเดียวก็พบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองแล้วจิตใจเรามีความสงบสะอาดสว่างมากขึ้นมากขึ้น ใจิตใจเราเบาใจิตใจเราโปร่งโล่งสบายนะมีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีความสุขแบบหลงๆความสุขที่คนในโลกเขารู้จักเป็นความสุขแบบหลงเพลินความสุขของเราเป็นความสุขอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกรู้สึกก็มีความสุขจิตใจเราเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกรู้สึกแล้วก็มีความสุขรู้สึกไปเรื่อยเมื่อสักสองอาทิตย์นะของพ่อเจอ ผู้ชายคนหนึ่งชื่อดังตรินะดังตรินก็ไปหาหลวงพ่อเรื่อยๆเมื่อสออาทิตย์ก่อนนี้เขาไปเจอหลวงพ่อเขาก็บอกหลวงพ่อบอกว่าเวลานี้เขาคิดถึงลูกศิษย์ของหลวงพ่อประโมทนะเขาสัมผัสได้ถึงความสว่างสวัยเนี่ยแล้วเขาชูแขนให้ดูนะี่นี่คนลุกเลยนะหลวงพ่อก็ไม่ได้อยากดูคนของเขาหรอกนะ ยังบอกเขาเลยบอกว่าดูให้กว้างกว่านั้นสิดูไปให้ทั่วโลกสินะจะพบว่าธรรมะที่มันกระจายออกไปยังประเทศอื่นๆแล้วคนที่ศึกษาเขาศึกษาจากซีดีจากอินเทอร์เน็ตอะไรนี่แหละจิตเขาก็สว่างไสวเหมือนกันเะฉั้นะพวกเรายิ่งภานานะเรายิ่งเข้าถึงความสงบสะอาดสว่างมากขึ้นมากขึ้นนะเราเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ จิตใจเราจะสว่างสวัยขึ้นมามีใครรู้สึกบ้างว่ามันสว่างขึ้นมีไหมมีพยักหน้าเยอะเลยนะมียกแบบเหนียมเหนียมเยอะนะมีใครรู้สึกบ้างว่าภาวนามานานแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นไม่ต้องเกรงใจนะอมีเหมือนกันคือพวกที่ทําหยอหยอใหญ่ ใ, ญใญ่อีกพวกหนึ่งก็คือฟังเรานิดๆหน่อยๆ น, นะแล้วก็ไปทํานะทําผิดผิถูกๆ ถ้าทำถูกวิธีแล้วก็ถ้าถูกวิธีแล้วขยันนะดูต่อนเนื่องต้องได้ผลยกเว้นแต่ว่ามีบาปหนักหนาสาหัสเช่นเคยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยนะหรือเคยด่าพระอริยะอะไรเงี้ยภาวนาลำบากไภาวนาไม่ขึ้นบางคนก็ละเลยไม่ถือศีลห้าศีลห้าจำเป็นมากนะจำเป็นยิ่งกว่าศีลแปดซะ อ, อีกศีลห้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะศีลห้านี่แหละอยู่ในองค์มรรค สัมมาวาจามันก็คือศีลข้อสใช่มสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะมก็ศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสส่วนศีลข้อห้าเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้นี่เป็นของควรปฏิบัติถ้ากินเหล้าเมายามันก็ขาดสติใจมันคลึกใจมันขนองกินมากๆเข้าใจก็มืดใจก็มัวปวดหัวตัวร้อนนี่ก็ภาวนาไม่ไหวแต่ถ้าใจเราไม่ได้ติดยาเสพติดติดเหล้าอะไรนนะใจเราปลัดโลง จะเก็้กูลให้มีสติจะส่งเสริมสัมมาสติเห็นไหมสีนห้าข้อมอยู่ในองค์มรักนั่นแหละศีนอื่นๆก็เป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นเองมีศีล2องรอยบเจแล้วข้าจริงมันก็ไม่ใช่ศีล2องร้อยบเจนไม่ใช่ข้อห้ามอะไรมากมายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องระเบียบปฏิบัติซะได้เยอะอย่างธรรมะของพระนะพระวินัยเจดสบห้าข้อเรื่องเศขียีวัดเรื่องระเบียบ การวางตัวเวลามานั่งต่อหน้าญาติโยมนะไม่นั่งเท่อย่างน้นเท่อย่างนี้นะหรือพูดไปก็สายอย่างนี้เนะนี่ยท่านห้ามมีพระวิ น, นัยนั้นสีนที่จำเป็นจริงจริงสีนห้าเรามีสินห้าไว้นะแล้วเราก็หัดเจริญสติเอารู้สึกกายรู้สึกใจไปจนเห็นความจริงของกายของใจไปเห็นความจริงเบื้องต้นจะได้โสดา เป็นพระโสดาบันคือรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้เวลานี้คนที่ภาวนาคือหลวงพ่อแล้วเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยมีนับจานวนไม่ท้วนแล้วเริ่มเห็นว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เรานี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยเห็นว่ากิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปนะเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านนี่ก็เยอะแยะไปหมดเลย คนที่เริ่มเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราก็มีมีหลายคนเยอะแต่ว่าพอเห็นแล้วยังยอมรับไม่ได้ถ้าจิตไม่เป็นตัวเรามันจะไม่เหลืออะไรเป็นตัวเราอีกแล้วนี่ยอมรับตรงนี้ยังไม่ได้ก็ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะลําบากแต่กลัวบางคนกลัวเลยภาวนาพอเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกในขันท่านี้ว่างเปล่าจากเป็นความเป็นตัวตนเนี่ยถ้าใจยอมรับได้จะได้พระโสดาบันแต่ยังยอมรับไม่ได้ยังหวนหวาดอยู่ อเราหายไปเราหายไปน่ากลัวนะบาคนกลัวบางคนรู้สึกเซงชีวิตนี้แย่แล้วตัวเราไม่มีแล้วจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะเราไม่รู้จักสิ่งซึ่งเหนือจากสิ่งที่เคยมีนะี่หลวงปู่มั่นเคยสอนนะคำไว้คู่หนึ่งนะมีไม่มีแล้วนกะ็ไม่มีมีมีไม่มีมีอะไรนี่เรามีโลกใช่ไหมในโลกลมันไม่มีจริง มันไม่มีตัวมีตนไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยดูลงมาจนเห็นไอสิ่งที่เราคิดว่ามีอยู่เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วไม่มีนะพอถึงความไม่มีแล้วปล่อยวางขันห้าไปแล้วมันกลับไปมีอีกอย่างหนึ่งมันมีธรรมเรียกว่าสิ้นโลกแล้วมีธรรมะธรรมแท้ๆที่พ้นจากโลกมีความสุขที่สุดเลยแล้วอย่าไปเสียดายความสุขลมๆแรงๆอย่างโลกโลกนี้เลยความสุขอย่างนี้นะชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขที่เจือกับความทุกข์ หัดภาวนาไปวันหนึ่งเราจะได้พบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีความสุขจริงๆไม่รู้จะโฆษณาอย่างไงนะหลวงพ่อคงจะต้องไปเรียนประชาสัมพันธ์อะไรงั้นหรือทําโฆษณาอยากจะให้โยมรู้ว่าภาวนาแล้วมันมีความสุขมากนะยิ่งฝึกไปยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นความจริงคือเราเห็นทุกข์เห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์มากขึ้นเท่าไหร่นะจิตใจเรามีปฏิภาคกลับเลยเราจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งรู้ทุกก็ยิ่งมีความสุขนี่เป็นเรื่องแปลกนะยิ่งวิ่งหาความสุขยิ่งมีความทุกข์งั้นปีใหม่ส่งความสุขมันส่งลมละมังแรงๆนะส่งโกหกหลอกลวงส่งได้ยังไงไอ้คนที่ส่งให้เรามันยังไม่มีความสุขเลยมีบางคนก็ส่งซอลขอศอให้พระด้วยมีส่งความสุขนะเรามีความสุขแล้วตัวเองต่างหากไม่มีความสุขอยากาความสุขมาให้หลวงพ่อหมดแล้วเดี๋ยวตัวเองแห้งแล้งนะ ค่ฝึกนะครสังเกตเอาแล้วทํายังไงมันจะดีได้ทํางไงมันจะพัฒนาได้นะแรกมีศีล น, นะแล้วอันต่อมาค่อยๆพัฒนาให้เกิดสติพัฒนาให้เกิดสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นถ้าเรามีศีลเป็นพื้นฐานไว้เรามีสัมมาสติเรามี ส, ามมาสั ม, สามมาสมาธิเราจะเกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่มีตัวเราเป็นพระโสดาบัน เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนี่ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาะนั้นเราต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวเครื่องมือตัวแรกเรียกว่าสติเครื่องมือตัวที่สองคือสัมมาสมาธิหลวงพ่อพูดอยู่เรื่อยๆนะสติเป็นความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลต่างๆได้นะ นี่ถ้าะระลึกถึงอารมณ์ทั่วๆไปเช่อนอยากทำบุญอยากใส่บาตรอย่างนี้เขาเรียกว่าสาธารณกุศลแต่ถ้าะระลึกถึงกายะระลึกถึงใจเนี่ยสติอ น, นี้เรียกว่าสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสติปัฏ ฐ, ฐานต้องรู้กายรู้ใจสติธรรมดาเนี่ยไม่ทำให้เกิดมรรคผลนิพพานสติธรรมดาทำให้เราเป็นคนดีเท่านั้นเอง เช่นอยากจะฆ่าเขาแล้วก็คิดอย่าไปฆ่าเขาเลยฆ่าเขาแล้วเขาน่าสงสารอะไรเงี้ยนะเขาจะทรมานลูกเมียเขาลําบากเนี่ยมีสติยั่งคิดอย่างนี้นะเป็นสติอย่างโลกโลกถ้าสติปัฏฐานที่จะพาเราไปสู่มรรคนิพพานนี่เป็นสติที่ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจระลึกรู้กายที่กาลังปรากฏระลึกรู้ใจซึ่งปรากฏขึ้นสดๆดร้อนๆอนนะใครระลึกสติเป็นตัวระลึกสติเกิดจากอะไรพูดอยู่ทุกวัน สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นเราต้องหัดดูสภาวะหนึ่งๆร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าค่อยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆจนจิตมันจำได้นะหายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวอย่างนี้หรือยืนอยู่ก็รู้สึกเดินอยู่ก็รู้สึกนั่งนอนรู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยทุกอิริยาบถหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยในสุดไม่ว่าจะทำอะไรในอิริยาบถใด เช่นนั่งอยู่แล้วลืมตัวพอขยับจะลุกขึ้นเท่านั้นเองนะสติเกิดเองเลยนะสติเกิดได้เองหรือหากดูจิตดูใจไปจิตมีความโลภขึ้นมาก็ค่อยรู้ไปจิตมีความโกรธก็คอยรู้จิตแอบไปคิดคอยรู้จิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตสงสัยจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์นะจิตเป็นยังไงเราคอยรู้ลงไปเรื่อยหัดรู้เล่นๆไม่ต้องคิดมากว่าจะรู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปถึงเมื่อไหร่ หัดรู้สภาวะเนืองเนืองหัดรู้บ่อยๆวันหนึ่งจิตจะจําสภาวะได้แม่นเช่นมันจําได้ว่าความโกรธเป็นยังไงบางคนขี้โมโหนะัเราก็เอาความโกรธนี่แหละมาทําสติปัฏฐานนะเอามาเป็นฐานของสตินะความโกรธเกิดขึ้นในใจแวบเรารู้ทันโกรธแล้วนะเดี๋ยวก็ขัดใจเกิดขึ้นรู้อีกนะเดี๋ยวเสียใจเกิดขึ้นรู้อีกนี่ตระกูลความโกรธนะคนไหนขี้โลภ เดี๋ยวก็อยากโ น, น่น <s ucht> เดี๋ยวก็อยากนี่นะความอยากเกิดขึ้นเราคอยรู้ไว้ความอยากเกิดแล้วคอยรู้ไว้กนะิเลสตัวไหนเด่นนะหรือจิตใจเรามีสภาวะอะไรที่เด่นก็ <S <s <ucht> <S เอาตัวนั้นแหละเป็นฐานเอาไว้ถ้าเอาตัวนั้นเป็นฐานไว้เ <s ucht> ช่นจิตใจเรามีความสุขเ <s ucht> ยอะเราก็คอยรู้ไปมีความสุขเราก็คอยรู้มีความสุขคอยรู <S <s <ucht> <S ๆๆ้ต่อมาพอความสุขหายไปนะมันจะรู้เลยว่าความสุขหายไปแล้วนี่มันไม่เที่ยงมันเริ่มเห็นสภาวะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง คนไหนขี้โมโหพอเกิดความโกรธขึ้นมาสติะระลึกปับ๊บมันจะเห็นเลยว่าความโกรธมันหายไปแล้วนะจิตที่มีโทสะมันก็คู่กับจิตที่ไม่มีโทสะเวลาเห็นมันเลยเห็นคู่กันนะเราะนั้นเวลาจเจริญสติปัฏฐานถ้าดูจิตดูใจเราจะเห็นของที่เป็นคู่คูนะ่จิตที่มีโทสะเกิดขึ้นพอรู้ทันก็กลายเป็นจิตที่ไม่มีโทสะจิตที่มีความโลภเกิดขึ้นพอรู้ทันก็กลายเป็นจิตที่ไม่มีความโลภจิตที่ลอยไปแอบไปคิดไปนึก พอเรารู้ทันว่าจีแดบไปคิดไปนึกนะมันก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมารูดอกอกจากโลกของความคิดความฝันเนี่ยเราจะเรียนไปนะทีละคู่ทีละคู่เอาคู่ใดคู่หนึ่งที่เราเกิดบ่อยๆนะั่นแหละมาเป็นหลักไว้คนไหนขี้โมโหค่อยรู้ไปพอโมโหเรารู้โมโหเรารู้ต่อไปจะรู้อย่างอื่นด้วยไม่ใช่รู้แต่โมโหต่อไปไม่โมโหก็รู้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้นะบางคนหลวงพ่อจะสอน กรรมฐานบางคนต้องเรียนกรรมฐานเฉพาะตัวอย่างบางคนหลวงพ่อบอกให้ไปดูกระดูกคนที่ภาวนาอะไรก็ไม่ได้เลยนะทําความสงบก็ไม่เป็นอะไรอะไรก็ไม่ได้บอกไปดูกระดูกเจอหน้ามันทีไรนะบอกให้ไปดูกระดูกทู้ทีมันก็ดื้อนะดื้อดื้อครูบาอาจารย์สอนเลยไม่ค่อยฟังวันนึงมันจนปัญญาแล้วถูกหลวงพ่อด่าเรื่อยๆจนร้องหมร้องไห้นะวันนึงมันดูจริงๆดูแล้ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาใจมันตั้งมั่นขึ้นมา อันนี้ไม่ได้เห็นแต่กระดูกแล้วร่ า, างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกใจมันโลภใจมันโกรธใจมันหลงรู้สึกหมดเลยบางคนนะมันขี้โมโหหลวงพ่อบอกไปดูความโกรธบ่อยๆนะความโกรธเกิดแล้วรู้ทันเสร็จแล้วพอพอโกรธขึ้นมานะต่อไปพอโกรธขึ้นมามันก็รู้ทันจริงๆนะแล้วรู้ต่อไปถึงร่างกายด้วยพอโกรธนะแหมหน้าร้อนขึ้นมาแล้วหน้าแดงขึ้นมารู้สึกเลยนะตัวสั่นขึ้นมานี่รู้สึกรู้ไปที่กายด้วยนะ รู้ไปที่จิตใจด้วยนะจิตใจโกรธแล้วอยากฆ่าเขาเนี่ยรู้ว่าอยากเห็นหมจิตใจพอไปรู้ทันความอยากฆ่าเขาหายไปจิตใจเกิดความเมตตารู้ทันอีกเราะนั้นเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเราหัดรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆสักอันหนึ่งแต่เสร็จแล้วเราจะรู้สภาวะทั้งหลายทั้งปวงได้ถ้ารู้ถูกวิธีนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโลภเกิดขึ้นก็รู้นะใจลอยก็รู้เนี่ย รู้ไปรู้ไปนะบางคนก็ดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นฐานเอาไว้นี่แหละต่อไปมันจะรู้สิ่งอื่นๆเนื่องกันไปหมดทั้งกายทั้งใจเห้นเวลาภาวนาจริงๆจะไม่ได้รู้อย่างเดียวนะอย่างบางคนหลวงพ่อที่บอกว่าให้ดูกระดูกเนี่ยดูกระดูกแล้วมันก็รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้สารพัดจะรูนะ้บางคนให้ไปดูความโกรธนี่มาส่งกันบ้านก็มีเดี๋ยวนี้เห็นสารพัดเลยนะ แล้วง ง, งๆนะเอ๊ะหลวงพ่อให้ดูความโกรธแล้วทำไมมันไปเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะควจริงเราให้ลูกกุญแจไปให้ลูกกุญแจไปสําหรับคนคนหนึ่งนี่พวกเรามารับลูกกุญแจที่เราขนไม่ได้เราสังเกตเอาแล้ว ก, กันนะกิเลสอะไรเกิดบ่อยหรือสภาวะอะไรเกิดบ่อยๆนะเอาตัวนั้นแหละเป็นฐานเอาไว้พอจิตเคลื่อนไปจากตรงนั้นจิตหลงไปจากตรงนั้นตรงนั้นหายไปเราก็ค่อยรู้ทันเนี่ยมันะจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะ ต่อไปจะเห็นสิ่งอื่นที่เนื่องด้วยกันนะทั้งกายทั้งใจจะรู้ทั้งกายทั้งใจนี่เราฝึกไปนะหัดรู้สภาวะไปเริ่มต้นอันเดียวต่อไปก็จะรู้สภาวะได้เยอะแยะการที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆสติจะเกิดเองนะทันทีที่สติเกิดนะใจมันจะเริ่มตื่นขึ้นมานะมันจะรู้สึกหลุดออกจากโลกของความคิดคนทั่วๆไปจะหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา คิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับนะหลับแล้วก็คิดต่อเรียกว่าฝันคิดไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนตายไม่สามารถหลุดออกมาสู่โลกของความเป็นจริงได้ถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะหลุดออกมาสู่โลกของความเป็นจริงเช่นเราใจลอยเรารู้ว่าใจลอยปั๊บจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดปั๊บโกรธรู้ว่าโกรธปั๊บเนี่ยถ้ารู้ซื่อๆรู้สบายสบายรู้ถูกต้องนะจิตจะตื่นขึ้นมา งั้การที่เราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะั้นถึงจุดหนึ่งจิตมันจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้เมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราจะพบความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เรารู้สึกว่านี่คือตัวเราความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอนนี้เกิดจากการคิดเอาทั้งสิ้นนะ เพราะนไม่ต้องละความเป็นตัวตนนะเพราะไม่มีความเป็นตัวตนจะให้ละเราละความเห็นผิดว่ามีตัวตนความเห็นผิดว่ามีตัวตนเกิดจากการคิดนั่นแหละเนั้นทําเมืไร่จิตไหลไปคิดนะเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้ทันจิตหลุ ด, ดออกจากความคิดในขณะนั้นตัวโจทย์ตนจะไม่มนะีนี่ฝึกไปเรื่อยนะจะเห็นว่าตัว ต, วตนไม่มีแต่จะเห็นอย่างนี้ได้ถ้ามีเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต วิธีฝึกมี2วิธีวิธีหนึ่งทำฌานสําหรับคนที่ทําฌานได้นะทำฌานไปจนถึงฌานที่สองละวิตกละวิจาร์ได้วิตกคือการตรึกถึงอารมณ์วิจารณ์คือการตรองเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์มีความจงใจที่จะตรึกนะแต่ตรงวิจารณเนี่ยมันเคล้าเคลียไม่ได้จงใจเคล้าแล้วแต่ตรงนี้วิตกวิจารเนี่ยยังปนอยู่กับการคิดอยู่ าการหยิบยกอารมณ์จงใจหยิบยกอารมณ์ขึ้นมาใจไปจงใจเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์ใจจะยังไม่ตื่นเพราะยังเพ่งเด้องอยู่ที่ตัวอารมณ์พอพ้นจากฌานที่หนึ่งไปนะดับวิตกดับวิจารณ์ไปมีปีติมีความสุขมีจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะมีสภาวะธรรมตัวหนึ่งเรียกว่าเอโกโอทิภาวะภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นจิตมันจะเป็นผู้ตื่นขึ้ น, นมาผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วตัวความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่มันจะทรงอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือเป็นวันวันแต่ไม่เกินเจวันนะก็เสื่อมของเสื่อมได้แต่ว่าพอตอนที่ยังไม่เสื่อมก็อาศัยมีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาคอยรู้กายที่เคลื่อนไหวไปดูกายไปเรื่อยอย่าไปดูจิตนะถ้าทำสมาธิออกมาแล้วก็จิตมันติดความนิ่งความเฉยนะต้องระวงังถ้าไปดูจิตเดี๋ยวจะไปนิ่งใหญ่ แครูบาอาจารย์ชอบสอนบอกว่าออกจากสมาธิแล้วคอยรู้กายแต่คนไหนถนัดดูจิตออกจากสมาธิแล้วก็ดูจิตต่อไปได้เลยก็ไม่มีข้อห้ามหรอกแต่ส่วนใหญ่ล้วควรจะมารู้กายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่จิตมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดนะูเรียกว่ามีจิตผู้รู้ อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนทาฌานไม่ได้คือพวกเราส่วนใหญ่ทาฌานไม่ได้วิธีที่จะทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิก็ใช้วิธีที่มีสติคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตของเราจะไหลตลอดเวลานะเรียนมาช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกไหมจิตไหลตลอดเวลาเดี๋ยวไหลไปดูใช่หมลืมตัวเองไหลไปฟังลืมตัวเองไหลไปคิดลืมตัวเองเวลาภาวนาก็ไหลไปเพ่ง ไหลไปอยู่กับลมหายใจไหลไปอยู่กับท้องพองยบไหลไปอยู่ที่เท้านี้เป็นเรื่องของสมาถะทั้งสิ้นเลยจิตมันไหลไปมันไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นแต่จิตมันไหลไปแช่อยู่ในตัวอารมณ์เนการเพ่งตัวอารมณ์อันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะให้เป็นสัมมาสมาธิจิตต้องตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้อารมณ์จิตอยู่ตังหาก<ๆ>เห็นร่างกายอยู่ตัณหาร่างกายกับจิตมันแยกกัน เห็นเวทนากับจิตมันแยกกันเห็นความปรุงแต่งเช่นโรคปวดหลงกับจิตเนี่ยมันแยกกันเห็นจิตเกิดดับไปทางทวารทั้ง6เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปเนี่ยมันเกิดดับให้ดูงั้นถ้าใจเราเราคอยรู้นะรู้ทันใจที่มันไหลไปไหลมาเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นเอง พอใจตั้งมั่นขึ้นเองที่หลวงพ่อชอบใช้คําว่าจิตมันถึงฐานแล้วนะมันรู้ตัวเต็มที่แล้วมันตื่นเต็มที่แล้วนะตรงนี้ตรงนี้จิตตรงนี้สําคัญนะถ้าจิตยังไหลตามอารมณ์ไปนะีไม่สามารถทํำวิปัสสนาให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงได้แต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนะี่ยเราจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นสังขารโลภโกรห ล, ลงอะไรพวกนี้ไม่ใช่เรา แล้วก็เห็นจิตเกิดดับทางทาวารทั้ง6นี่เป็นการเจริญปัญญาเพราะการเจริญปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่เห็นอย่างอื่นไม่ใช่ไปภาวนาให้จิตนิ่งน่งเงียบเงียบให้จิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่ได้ฝึกอย่างนั้นฝึกไปจนเห็นความจริงของจิตนะจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเขาก็คิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมดาของเขาคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันหนึ่งจิตมันสลัดคืนขันท่าให้โลกนะ ต่อไปคิดนึกปรุงแต่งได้ไหมคิดได้คิดได้เหมือนคนปกติแต่ความคิดมันเหมือนลอยอยู่ห่างๆกีลาดูออกไหมความคิดมันลอยอยู่ห่างๆมันไม่เข้ามากระทบจิตนะมันไม่มีอะไรมาแต่งจิตเข้ามาถึงจิตได้เลยจิตกับธรรมชาติกับโล ก, กธาตุนะเหมือนเป็นอันเดียวกันไปเลยอะไรผ่านมาผ่านไปนะมันไม่กระเทือนเข้ามาอย่างของเราจิตยังมีที่ตั้งมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตรู้สึกไหมเวลามีอะไรมากระทบนะี่ยังกระเทือน แล้วก็เดี๋ยวก็วิ่งไปทางน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้ถ้าวันใดปล่อยวางไปแล้วนะจิตมันจะใหญ่เต็มโลกกระทาเลยกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งมันได้แล้วเหมือนอวกาศที่กว้างขวา ง, วางอุ ก, กาบาตวิ่งมาเท่าไหร่เท่าไหร่อวกาศก็ไม่เป็นอะไรเห็นไหมแต่ถ้ามีโลกมาคอยรับลูกกาบาตนี่โลกจะแตกเอาจิตนี้เหมือนกันนะพอเราปล่อยวางไปแล้วไม่มีอะไรมากระทบได้ล้ ค่ฝึกเอานะค่อฝึกวันนี้เทศพอสมควรแล้วขอโฆษณาหน่อยวันนี้มีหนังสือเล่มใหม่แจกนะเรื่องแก่นทรรำคําสอนของหลวงปู่ดูลนะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หัดภาวนาไปนะแล้วก็ค่อยๆไปอ่านไม่ต้องรีบร้อนนะรีบร้อนอ่านเดี๋ยวปวดหัวนะหลวงพ่อเขียนย่อๆนะแต่ว่ามันจะครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้เยอะๆเลยครอบคลุมการปฏิบัติที่ถูกเป็นยังไงปฏิบัติที่ผิดเป็นยังไงนะ การดูจิตที่ผิดพลาดเนี่ยมีเยอะแยะทุกวันนี้คนที่ดูจิตผิดพลาดมีมากนะถ้าเมื่อไหร่ดูจิตแล้วมันขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นผิดแน่นอนถ้าดูจิตถูกต้องนะมันลดละกิเลสได้จริงๆไม่ใช่นอนแช่นอนทับกิเลสนะเหมือนนั่งทับอะไรอยู่สมกบกเราก็นั่งทับอยู่แล้วบอกไม่มีแล้วมองไม่เห็นนั้นถ้าดูจิตถูกต้องเนี่ย มันจะลดลากิเลสไปเรื่อยจิตจะสะอาดหมดจดขึ้นเรื่อยจิตจะเข้าถึงความไม่มีอะไรปรุงแต่งได้มากขึ้นเรื่อยค่อยๆหัดดูไปหลายคนน่าสงสารหลวงพ่อก็เห็นใจอย่างพวกเรามาที่นี่เป็นพันๆโอกาสที่จะถามหลวงพ่อมีเป็นหลักสิบสิบต้นๆด้วยไม่ได้มากหลายคนเลยว้าวเวบอหลวงพ่อประโมทเป็นพระที่เข้าถึงยากเหลือเกินทําไมเข้าถึงยากอะก็คนอื่นเป็นกันอยู่หลวงพ่อไม่ได้กันเลยเห็นไหม ลวกเรากันกันเองตันเป็นชั้นชั้นชั้นข้างหลังยังมาเข้าถึงก็ยากสิใช่ไหมต้องฝา่าคลื่นคนเข้ามาไม่ใช่ว่าเราเล่นเนื้อเล่นตัวนะก็เข้ามาไม่ถึงเองอย่างคนไปที่วัดนะไม่รู้จักหรอกนะไม่ใช่วัดรู้จักไปยกมือใครยกก่อนก็ให้มีคนใหม่ๆไปยกมือได้ทุกวันแหละนะ่ยขยันฝึกยกมือไว้ <laughs> ถ้าไปที่วัดหลวงพ่อก็ยกมือไว้ยังไงก็ได้ถามเขาสักวันหนึ่งหรอกไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะ ใครฝึกนาะนนี่บางคนถามหลวงพ่อไม่ได้รู้สึกว่าเวที่วิ่งไปถามคนนู้นคนนี้คราวนี้เราเกิดปัญหาแล้วคนที่ตอบให้นะก็พาบางทีพาเตลิดเปิดเปิงนะพาไปดูความว่างก็มีนะภาวนานะให้อยู่ในความว่างนะไม่ต้องคิดต้องนึกนะอะไรไหวขึ้นมาในจิตลบทิ้งให้หมดเลยเอาความว่างไว้อ้างหลวงปู่ดูลด้วยหลวงปู่ดูลสอนให้ว่างสว่างบริสุทธิ์ หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนนั้นท่านพูดถึงพระอรหันต์ไม่ใช่พูดถึงเรานะเดยไม่ต้องไปเรียนแบบนะนั้นเราต้องดูอะไรท่านบอกว่าจิตเห็นจิตเป็นมรคใช่จิตเห็นจิตเป็นมรคท่านไม่ได้บอกว่าจิตเห็นความว่างเป็นมรคเนี่ยบางคนไปสอนให้ดูความว่างบางคนไปสอนให้หยุดคิดหยุดคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมีหน้าที่คิด แต่ความคิดนั้นเกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะไปอย่างเวลามันหลงไปคิดพอเรารู้ทันมันก็ดับเดี๋ยวมันก็คิดอีกพระอราหันตก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะเราอย่าไปคิดว่าพระอราหันต์เป็นโรบอตตัวหนึ่งหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะจะทาอะไรทีหนึ่งต้องโปรแกรมนานเลยจะไปฉันน้ำแล้ว <c oughs> ตายสิทำอะไรก็พ่ลึกพีลัน่นเหมือนคนพิกลพิการนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ นี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยไปเขียนหนังสืออันนี้ขึ้นมาให้พวกเราอ่านนะค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปมีอะไรสงสัยเปิดซีดีหลวงพ่อฟังมีทุกคําตอบรับรองได้เลยมีทุกคําตอบแหละนะโยกเว้นจะถามอะไรบ้าๆบอๆเช่นเชื้อโลกมีจิตไหมอย่างนี้ไม่ตอบให้เสียเวลานะบางคนมีน้ําสงสัยเชื้อโลกมีจิตไหมรู้ไปทําไมจิตของตัวเองไม่เห็นจะไปเห็นจิตเชื้อโรคมันะใช้ไม่ได้อย่างนั้นนะ่ะเชื้อโลกคือกิเลสมันจะครอบงําจิตเอา งั้นถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัตินะการดูจิตที่ผิดพลาดเนี่ยมีหลายแบบเลยอันแรกเลยไปดูสิ่งที่ไม่ใช่จิตเราคิดว่าจิตนะเช่นเวลาเราจะดูจิตนะเราก็ส่งจิตไปดูสมมติว่าเราจะดูจิตนะเราก็เริ่มอย่างนี้และหลบพ้าทําหน้านะดูไปไกลๆดูไปไกลๆไหนไหนจิตอยู่ไหนเที่ยวหาหาหาจิตนะหาจิตแต่ไปกวานอยู่ข้างในนะกวานจิตอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะ อ๋อไปเจออะไรประหลาดประาดเท่ากัอ๋อนี่แหละจิตไปจ้องเอาจิตไปเที่ยวแสวงหาจิตหลวงปู่ดูลสอนนะเอาจิตไปเที่ยวแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอนั่นจิตนั่นแหละเป็นคนไหลไปดูรู้ไหมว่าจิตไหลไปถ้ารู้ว่าจิตไหลไปดูจิตไหลไปแสวงหานั่นแหละดูจิตนี่เที่ยวไปดูของที่ไม่ใช่จิตแล้วคิดว่าดูจิตอีกอย่างหนึ่งก็คือไปดัดแปลงจิตจิตไม่ดีทํายังไงจะดีจิตไม่สุขทําไงจะสุขจิตไม่สงบทําไงจะสงบ อีกพวกหนึ่งเพ่งจิตเพ่งความว่างนะเพ่งเพ่งสิ่งที่เป็นอรูปมันมีสแบบอันหึเพ่งไปในความว่างเพ่งในความว่างเป็นสมถะกรรมฐานชนิดหนึ่งชื่ออากาศารนัญจายตนะพวกที่สองเพ่งเข้าไปที่ตัวจิตผู้รู้เลยเรียกว่าวิญญาณนัญจายตนะจะรู้สึกว่าจิตไม่มีที่สิ้นสุดนี่วิญญาณเป็นอนันต์อันนั้นแน่เลยเพราะไปเพ่งใส่ผู้รู้ใช่ไหมตัวผู้รู้กลายเป็นตัวถูกรู้ ก็มีผู้รู้ขึ้นมาใหม่ไปเพ่งผู้รู้ใหม่ก็กลายเป็นตัวถูกรู้เนี่ยวิญญาณเป็นอนันต์เลยนะเพ่งไปด้วยไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะบางคนก็เพ่งความไม่มีอะไรเลยไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาบางคนใช้คิดเอานะบอกดูจิตนะเห็นคนก็นี่ไม่ใช่คนหรอกนี่ไม่ใช่คนหรอกไอ้นี่ก็ไม่ใช่คนก็ใช่สีนาฬิกานี่ไหไอ้นอนก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีนะความดีไม่มีความชั่วไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มี นั่นเป็นวิชฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกะทิฏฐินะมันพวกเราเนี่ยไปอ่านเอานะค่อยๆ อ, อ่านอ่านไม่รู้เรื่องอย่าตกใจเก็บเอาไว้อย่าเพิ่งไปให้ใครเขาปีนี้ไม่รู้เรื่องปีหน้าก็รู้เรื่องขอให้ภาวนาไปเถอะภาวนาไปนะหัดรู้หัดรู้หัดดูไปนะสงสัยแล้วไปเปิดซีดีฟังรับรองมีแน่นอนนะฟังแล้วก็คอยหัดรู้หัดดูของเรานะถ้าทําอย่างนี้เราจะได้ไม่ตระเิดเปิดเปิงนะไม่งั้นเราจะพากัน ไปดูสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่จิตหรอกเช่นไปดูความว่างไปดูความไม่มีอะไรไปเพ่งจิตนะแล้วก็บางคนก็ทําเป็นไม่รับรู้นะทําใจให้ไม่รับรู้เ <c oughs> นี่ยโอ้พระรหันธ์นะหันอะไรนะพี่กนพี่การนะจิตมีหน้าที่รู้ก็ไปฝึกให้มันไม่รู้เนะี่ยเพราะฉะั้นเราอย่าไปฝึกผิดๆนะฝึกผิดเราจะพลาดถ้าพลาดแล้วเสียเวลานาน ค่อยๆดูไปอย่าใจร้อนการภาวนาอย่าใจร้อนหัดสังเกตไปสังเกตตัวเองแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะค่อยสังเกตไปจิตมันไปติดมันไปคล้องอะไรบางคนไปติดในความว่างก็รู้ทันบางคนไปเพ่งเอาไว้ก็รู้ทันบางคนไปวางฟอร์มนะวางฟอร์มจนเคยชินนะอยู่ในที่ทํางานก็วางฟอร์มกลับบ้านก็วางฟอร์มวางฟอร์มทั้งปีเลยนะวางฟอร์มจนกระทั่งฝันก็ยังวางฟอร์มนะวางฟอร์มถ้ามาเวลาอยู่กับคนอื่นก็ อย่างนี้นะกูเก่งกูใหญ่เวลาเข้าวัดก็ฟางฟอร์มเรียบร้อยนะเรียบร้อยเจอหมาเจอแมวนะโคง้งคำนับหมดเลยเผื <c oughs> ่อว่าเขาจะเป็นพระโพธิสัตว์นะเนะีนะ่เนี่ยของแกล้งแกล้งทำนะงั้นะเอาตัวจริงออกมาให้ได้นะปลดปล่อยตัวจริงออกมาถือศีลห้าไว้ก่อนเพราะตอนที่ปล่อยตัวจริงออกมาน่ากลัวที่สุดเลยเพราะมันร้ายร้ายกว่าที่คิดไว้นะแต่ละคนแต่ละคนนะงั้นถือศีลห้าไว้ ร้ายแค่ไหนให้มันร้ายอยู่ที่ใจอย่าให้ล้นออกมาทางกายทางวาจานะนี่เรียกว่ามีศินห้าไว้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะพ่อดุมากเลยเป็นลูกคนจีนพ่อดุเขี้ยวเข็นบังคับตลอดเลยเครียดตลอดเลยแล้วพ่อตั้งมาตรฐานสูงให้นั่นไม่ได้นี่ไม่ได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ตลอดชีวิตมีแต่ความเครียดมาเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อแค่อยู่8ปดเก้าปีนะกว่าจะหลุดออกมากว่าจะปล่อยไม่งั้นจะไปกดตัวเองไว้เงี้ยกดไว้เงี้ทั้งวันเลย เพื่อให้มันเรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยไม่ได้พ่อดา่านะเรียบร้อกดไปกดไว้เนี่ยคือสร้างตัวปลอมขึ้นมาแล้วก็ติดอยู่ในตัวปลอมนะั้นจนรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของเราเนี่ยเราต้องเป็นอย่างนี้แหลนะพอเราเขีย่ยวเียเคียแล้วตัวจริงหลุดออกมานะหลุดออกมาเป็นคนที่ร่าเริงเบิกบานเนี่ยตัวจริงพอตัวจริงหลุดออกมานะเขาดูอยู่เดือนเดียวเองนะดูอยู่เดือนเดียวเองก็เข้าใจแล้วว่าตัวเราไม่มีหรอก งั้นพวกเราอย่าสร้างเปลือกแข็งนักนะกระเทาะเปลือกตัวเองไปเรื่อยลอกเปลือกไปลอกทุกวันนะคอยดูไปอันไหนวางฟอร์มแกล้งทำเวลาจะพูดกับหลวงพ่อก็ต้องวางฟอร์มให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมวางฟอร์มต้องนิ่งนิ่งต้องปกดเอาไว้อะไรเงี้ยให้รู้ทันไปเรื่อยนะรู้ทันอยู่กระทั่งเราลอกเอาตัวจริงออกมาเหมือนลอกกับกล้วยลอกต้นกล้วยลอกลอกลอกไปจนถึงที่สุดจะพบว่าไม่มีอะไรเลยนะอ่าวันนี้เทศพอสมควร มีอะไรถ้าไม่ถามได้ก็อย่าถามเลยเพราะเท่าที่หลวงพ่อสรุปนะคำถามทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยตอบได้ด้วยการบอกว่าให้รู้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏในปัจจุบันรู้ไปด้วยใจเป็นกลางมีเท่านี้หลังไม่เชื่อทดลองดูเดี๋ยวจะตอบให้ดูัมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอรบกวนสองคำถามเจ้าค่ะคาถามแรกคือ ข อ, อนคำแนะนําในการปฏิบัติค่ะพยายามตาดูตามรู้ระหว่างวันส่วนพอถึงบ้านตอนกลางคืนก็เดินจงกรมเพราะว่าถ้านั่งวิปัสสนาแล้วจะหลับนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ตอนขับรถก็ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะก็คือเหมือนเป็นช่วงชาร์จแบตเตอรี่ค่ะเพราะมีความสุขจะได้สู้กับงานได้ค่ะเราจะไปรอภาวนาตอนกลางคืนนั่ก็หลับแน่นอนแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมบางคนกว่าจะถึงบ้านได้ทุรักทุเลทํางานมาเหนื่อยๆอย่าไปหวังภาวนาตอนกลางคืน ต้องภาวนาตั้งแต่ยังอยู่ในชีวิตประจําวันนี้ให้ได้นะหยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจดีไม่ดีรู้ไปด้วยของคุณตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตมันยังไม่ตั้งมั่นจิตมันพุ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมมันตื่นเต้นดูออกไหมมันลุกลี้ลุกโรนดูออกไหมมัวแต่ดูออกดูออกแต่ไม่ย้อนมาดูตัวเองรู้สึกไหมทําเป็นพยักหน้าไปงนะั้นอะรู้สึกแล้วใช่ แล้วไงอีกค่ะที่ฝึก อ, อยู่พอใช้ได้แล้วนะหัดดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูในชีวิตประจําวันให้มากๆจำไปหวังภาวนาตอนกลางคืนอย่างเดียวไม่พอหรอกเพราะกลางวันกิเลสเกิดไปเยอะแล้วนะหมดแรงแล้วกลางคืนอะ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสมัยตอนที่อยู่มหาลาัยอะค่ะคุณคุณครูเ ค, คยพาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดมี ม, มีจิตแบบหนึง่งขึ้นมาก็คือว่าแบบ เหมนใจมันเป็นลบหลูลงเกินภรลตนัตตายแล้วครูบาจางขึ้นมาทําให้หนูแบบไม่กล้าเข้าวัดค่ะเพราะว่ากลัวจะบาปอ่ะแล้วก็ตอนค่ะตอนหลังก็เลยแบบมีคนแนะนําว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเกิดแบบนี้ขึ้นปุ๊บก็กําหนดไปว่าคิดอกุศลหนออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็บางลงแต่เพาะตารางมาฟังสี่หลงเพราะก็แค่รู้อะ่ะอืมเป็นรู้ตรงที่จิตมันไปลบหลูภาลตนัตไตรัยสังเกตไหมจิตมันเป็นลบหลูเองเราเจตนาไหมลึกๆหนูไม่ยาก ไม่ใช่เราเ<ก>จตนาลบหลู่ไห ม, ไมอ๋อจิตมันลบหลู่เองใช่ไหมเพราะจิตมันบาปเราไม่บาปเวลาจิตมันทำงานเองนะโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาเนี่ยกรรมตัวนั้นเรียกว่ากตั่ตากรรมเป็นกรรมเล็กน้อยอย่าไปกังวลนะจิตมันลบหลู่เราก็รู้ทันเนะี่ยแก ล, ลบหลู่แกแสดงความจุดอ่อนของแกออกมาลนะแกไม่ใช่ตัวเราเหรอกแก ล, ลบหลู่เราไม่ได้ลบหลู่นี่ย้อนสอนมันเข้าไปเลยนะแต่ไม่ใช่คิดนะ ให้รู้ทันลงไปในจิตมันเป็นคนลบหลู่นจิตมันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดนะอกุศลหนงวนหนออกุศลหนอก็คืออกุศลครั้งที่สองขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะการนมาสการหลวงพ่อครับปีนี้บริ ษ, ษัทส่วนตัวของผมกำไรมหาศาลเลยครับคือของผมเริ่มปิดปัดมาตั้งแต่ต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ น, นะครับก็เริ่มปฏิบัติดูตั้งแต่เ อ, อความรู้สึกตัวดูอาการของจิตไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูหลงคิดหลงเผลอไปก็จะดูได้ตลอดเวลาจนมาหลังๆคือมันจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรก็จะมีสติขึ้นมาเองว่ารู้ไว้แล้วว่าเผลอพอรู้ก็ปล่อยสักพักก็จะเผลอขึ้นมาอีกอจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมก็ตอนนี้จะตื่นเต้น ไปก<ค><ค>ดไป<ค>นะถ้าจิตปกติไม่เหมือนตอนนี้ก็ใช้ได้ขอบคุณทำในรูปแบบบ้างนะจิตมันยังไม่ค่อยมีแรงแทำในรูปแบบเช่นไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สังเกตจิตไปหรือเดินจงกรมแล้วก็เห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไหว้พระสวดมนต์อยู่ทุกคืนแล้วใครสังเกตจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาหรือเวลาสวดมนต์อยู่เวลาเรากลับพระเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ย จิตมันเคลื่อนไหวล้วก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆครับดูจนมาระยะหลังๆคือสักสองสองสามเดือนหลังเนี่ยครับคือจะดูเมื่อก่อนคือจะดูเห็นก็จะมีเป็นแต่ตัวเราร่างกายของเราจิตของเราอืมแต่ดูมาหลังๆนี่คือร่างกายก็อื ม, มันเป็นไม่ใช่ของเราแล้วครับมันมันดูเป็นแค่วัตถุใช่ชเป็นวัตถุ แต่ละดูไปที่หลวงพ่อบอกว่าตอนนี้คนดูได้อย่างนี้นะนับจํานวนไม่ท้วนละเพราะฉะนั้นเรามีสติที่ถูกต้องมีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราเริ่มเห็นแล้วกายไม่ใช่ตัวเราแล้วส่วนมากที่เห็นกายไม่ใช่ตัวเราไปเห็นตอนอาบน้ําสังเห็นไหมทําไมต้องไปอาบน้ําแล้วเห็นตันนั้นเพราะตอนนั้นกําลังสัมผัส ต, ตัวเองอยู่ตรงร่างกายนี้จริงๆเป็นธาตุใช่ไหมธาตุดินเนี่ยรู้ด้วยการสัมผัสทางกายแม้อย่างเรากําลังถูสบู่ถูขี้ไคลอยู่เนี่ยมันสัมผัสลงไป นี่เรารู้ธาตุดินด้วยกายถูกเป๊ะเลยกะตำลามันจะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราเกิดจากความคิดนะฝึกไปเรื่อยนะแต่ใจของคุณมันไม่ตั้งมั่นทําในรูปแบบบ้างเดินจงกรมนะถ้าทําได้ถ้าไม่มีเวลาเดินจงกรมเป็นรูปแบบนะทุกก้าวที่เดินในชีวิตจ ะ, จะมันคอยรู้สึกไปแต่อย่าเพ่งระวังอย่าไปเพ่งมันไม่ไปเ พ, งเพ่งครับแล้วความรู้สึกที่มันไม่ไม่ใช่เป็นตัวเรานี่คือ มันไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเป็นสักยะทิฏฐิอะไรบ้างใช่ไหมครับยังไม่ขาดมันเริ่มเห็นแล้วต้องเห็นจนกระทั่งมันยอมรับนะสักยะทิฏฐิถึงจะขาดแล้วไม่เกิดอีกการประหารกิเลสเนี่ยถ้าประหารด้วยสมถะนั้นก็ข่มไว้ชั่วคราวทำพิปสนานะก็ใช้ธรรมที่เป็นคู่ปรับกันเช่นของเที่ยงเราเห็นว่าไม่เที่ยงอะไรเงี้ยส่วนตรงที่ตัดด้วยมรคนี่ยตัดแล้วตัดเลยเป็นสมุทเฉดตัดแล้วจะไม่กลับขึ้นมาอีกงั้นเวลาที่เป็นโซดาแล้วเนี่ย ดูลงมาในกายในใจจะเห็นว่ามันว่างเปล่ามันกลวงไม่มีตัวเราตรงไหนเลยดูทีไรก็ไม่มีตัวเราเลยไม่มีแม้แต่เงาถ้ายัางภาวนาไปเกิดบุบบุบวับวบอะไรแล้วคิดว่าได้โสดานะักใครสังเกตตัวเองสักสามเดือนนี่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยสอนหลวงพ่อนะว่าให้สังเกตสักสามเดือนนะสามเดือนเนี้ถ้ายัางมีตัวเราโผล่ขึ้นมาก็ไม่ใช่ของจริงไปสังเกตเอาดีของคุณภาวนาดูไปเรื่อยนะแรงมันอ่อนไปนิดนึง ทำในรูปแบบแล้วระวังเพ่ง <S <S <S <S การทําในรูปแบบเนี้มีเซนซิทีฟอยู่เรื่องเพ่งง่ายอา้าวต่อไปแล้วมาสการคะ่ะหลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อครั้งนึงหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติใช้ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกใจสบายสบา ย, บายดูไปรู้ไปอืรู้นานนานบ้างเผลอบ่อยบ้างเผล่นานบ้างเนี่ยพอดูเป็นแล้วนะหลวงพ่อถึงจะบอกให้มาทําในรูปแบบ การทําในรูปแบบนี้ช่วยให้เรามีแรง<ะ>ลําพังดูในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆนะบางทีไม่มีแรงพอจะเฉยๆเนื่อยๆจิตเฉยๆซึม ๆ, ๆ ไ, <ห>ไปะน ะ, ะของคุณมันก็ไม่มีแรงล ะ, ะเพราะงั้นเราก็ไม่ทิ้งรูปแบบที่ง่ายๆเลยอย่างเช่นเดินจงกรม<ะ>เดินทุกก้าวที่เดินเนี่ยคอยรู้สึกทุกก้าวที่เดินก็รู้สึกแต่ไม่เพง่ง<ะ>คนไหนที่ติดเพ่งมานะหลวงพ่อจะบอกให้เลิกทําสมถะไปก่อน มางคนเลยเข้าใจผิดนะว่าหลวงพ่อประโมทไม่ให้ทําสมถะไม่ใช่คนนี้ยังไม่ควรทําสมถะก็อย่าเพิ่งทำํำคนไหนควรทําก็ต้องทำนะเป็นรายรายไปเป็นเคสไปเป็นเวลาของคุณไปเคลื่อนไหวนะถ้าไม่มีที่เดินจงกรมก็หางานบ้านมาทํากวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรที่เคลื่อนไหวอะ่ะก็ะช่วงนี้ก็พยายามดูว่าตัวเองทําอะไรอยู่อย่างคะ่ะอย่าจงใจมากไปนะถ้าจงใจจะกลายเป็นเพ่ง อนะอย่าให้เพ่งถ้าเพ่งแล้วซึมถ้าซึมแล้วรู้เลยว่าทําผิดแน่นอน <S <S <S <S นะเอาต่อไปนี่หมวยเปล่าค่ะคราบนวมสการกล่ <S <S าวนวมสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะจิตมีโมหะแล้วกเ็เหมือนยังติดนิ่งอยู่ค่ะอืมกลับถูกค่ะแล้วอย่างนี้คือก็จิตไม่ตั้งมั่นใช่ไหมคะไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีแรงด้วยค่ะ<า>รู้สึกไหมไม่ค่อยมีแรงใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ อาจจะภ า, ว น, นาวนาบ้ากกว่าภาวนาเพราะว่าอยู่บนเตียงอยู่โรงพยาบาลนะเนี่ยนอนบนเตียงป่วยไข้นะก็นอนดูกายดูใจไปนะเป็นนาทีทองแนละ้วนานๆจะมีโอกาสเจ็บป่วยขนาด น, นี้สักทีพอภาวนาไปแล้วคือนอนอยู่บนเตียงค่ะแล้วมันก็เผลอหลับไปมันไม่ไดนอนเยอะไม่เป็นไรหลับไปก็ได้นะถ้าตื่นขึ้นมานะก็ขยับนิ้วขยับอะไรรู้สึกไปนะรู้สึกสบายๆไม่ใช่ขยับนี่นะเดี๋ยวอาการหนักขึ้น เคลื่อนไหวที่ที่รู้สึกว่าจิตมันไม่เหมือนไม่มีกําลังยกไม่หน่อยยกไม่ไม่ได้ยินค่ะที่เห็นว่าจิตมันไม่ค่อยมีกําลังมันเหมือนได้ทาตามรูปแบบน้อยแล้วก็อ่ามันเป็นเพราะมันไปติดนิ่งติดสบายว่างๆอยู่ข้างหน้ามันเลยรู้สึกสบายมากกว่าใช่ไปติดความสบายติดความว่างนะไปอยู่ข้างหน้าให้รู้สึกเอารู้ทันว่าจิตไปติดอยู่ค่ะมันก็ยังติดอยู่ไม่เป็นไร อย่างถ้าป่วยหนักนะแล้วนอนดูร่างกายมันป่วยหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมพระองค์หนึ่งท่านไม่สบายท่านไตวายไปเยี่ยมท่านนะญาติโยมก็หวังว่าเราจะเฟปลอบแล้วก็ปลอบจริงๆนะท่านทําใจซะเถอะท่านยังไงก็ตายแน่รอบเนี้ยไหนๆท่านจะตายแล้วนะตายให้มันมีศักดิ์ศีของกัรปฏิบัตินะท่านนอนดูมันตายไปเมื่อท่านใจถึงจริงๆนะท่านนอนดูมันตายจริงๆนะท่านได้ของดีของวิเศษติดตัวไปเลยนะ งั้นเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะ้วอย่ามัวแต่ท้อแท้ใจลำพึงลำพันน้อยใจในโชคชะตาทำไมต้องเป็นเราต้องถือว่าเป็นโอกาสและได้เข้าสนามลบแนละ้วาะค่ะส่วนสรุปผลปลายปีในในเรื่องของการภาวนาก็รู้สึกว่าได้กำไรในภาพรวมค่ะเพราะว่าก็เหตุทุกครั้งที่มีสติก็อย่งัยงได้ชิดนเ่นกลางมากขึ้นนะน ะ, ะได้กาไร แล้วก็แต่ว่าจิตมันยังไม่ยอมรับว่าตัวเราไม่มีแต่ว่าจิตมันยังยอมรับไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีค่ะเออไม่เป็นไรดูไปมันยังมีก็มีไปไม่ใช่ไปหลอกมันนะบางคนนึกว่าการภาวนาคือการโปรแกรมจิตค่อยๆป้อนข้อมูลให้มันหลงเชื่อไม่ใช่เราเอาความจริงมาตีแผ่ให้มันดูมันจะเชื่อหรือมันไม่เชื่อเรื่องของมันให้มันดูความจริงไปเรื่อยบางคนมันไม่ดื้อนะดูความจริงไม่กี่ทีมก็เชื่อ บางคนมันดือ้อเขาดูกันนานไม่ใช่การสะกดจิตตัวเองนะอ้าตอไปค่ะก็ฮะไม่จบอีกเหรอถ้าหนูยังติดข้องอะไรที่หนูยังไม่ทราบก็<อ>ดูนั่<ห>นแหละจิตมันติดซึมติดความสุขความสบายมากไปน ะ, ะให้ย้อนมาดูกายให้มากๆไหมกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเพอเอินน้องชายมาจากต่างจังหวัดแล้วจับฉลากได้ด้วยค่ะนานๆจะมาขอหลวงพ่อพิธีตาน ถ้าจับฉลากได้หลวงพ่อไม่ว่าอะไรที่นี่หลวงพ่อไม่ใช่คนชี้ครับกล่าวนมัสการหลวงพ่อยกมาอย่างนี้แบบ<ะ>ร้องคาราโอเกะครับกล่าวนมัสการหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติเคยเคยไปเข้าคอร์สเคยเคยไปพักปฏิบัติกับหลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วครับตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าเริ่มรู้สึกตัวแต่เมื่อต้นปีนะฮะตั้งแต่รู้สึกว่าทุกมันเยอะมาก นะครับแต่ก็รู้สึกตัวบ้างแล้วก็พอมาสามสี่เดือนหลังนี้ก็พยายามสวดมนต์ให้เยอะขึ้นเพราะว่าจะรู้สึกตัวตอนสวดมนต์ดีเห็นจิตมันไหลไปเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งหลายร้อยครั้งตอนสวดมนตน์นะครับนะฮะกับทุกมันก็น้อยลงพอสวดมนต์เยอะขึ้นเหมือนกับจิตมันมีกําลังขึ้นแล้วมันแยกออกมานะฮะทุกเรื่องครอบครัวเรื่องพี่เรื่องพ่อเรื่องแม่อะไรพวกเนี้ยอืมทข้าอ่าเมื่อกี้นี้นะฮะ ตั้งแต่ตอนไม่เริ่มตั้งหัวละไม่ต้อ ง, องพี่เขาเป็นมะเร็งไม่ใช่พี่เขาร้ายอ่าว่าไปครับก็ตั้งแต่แรายงานผลการปฏิบัติเมื่อกี้เนี่ยสภาวะปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เริ่มหลวงพ่อเริ่มให้ถามเนี่ยจิตมันตื่นเต้นนะฮะจิตมันจะไหลไปตลอดไปนับเลยรู้สึกไมมั น, นล ะ, นละมันในการคุยละเอาย่อๆอ่ะ ครับจิตมันจะตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆจนไม่มันมาถึงตัวครับนะฮะหลวงพ่อเทศให้ตลกก็ผ่อนคลายลงเป็นระยะๆตอนนี้ก็รู้สึกอจิตมันเบื่อๆไปนะครับก็ขอคําแนะนําของหลวงพ่อดูไปอย่างที่เขาเป็นนะดูด้วยความเป็นกลางไปได้ๆเห็นไหมเหมือนที่บอกเลยไหมรู้ไปรู้อย่างเป็นกลางไปนะจิตมันมัวมันสลดลงไปมันไม่ให้มัวโมหะ เมื่อกี้มันหลงไปหลงไปพอเราไปรู้ทันใจมันสลดลงมาหน่อยนะดิดูไปอย่างนั้นแหละอ่าต่อไปอง่ายนะใครอย่าคิดว่าการภาวนายากจริงๆง่ายค่ะครับนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะมาส่งการบ้านครั้งที่สองนะคะมีคําถามหลวงพ่อสามข้อค่ะข้อที่หนึ่งนะคะถ้าตัณหาเกิดแล้วรู้นะคะ แล้วก็ทํากรรมตามตัณหานั้นแล้วกําลังกิเลสเนี่ยมากขึ้นควรจะทําอย่างไรกาไม่ทําสิเรื่องอะไรเราจะทําตามกิเลสล่ะอย่างเวลาเรามีความอยากสมมติเราเดินเดินไปอยากกินนะฮะอยากกินเรารู้ทันนะเสร็จแล้วถ้าร่างกายมันต้องการกินอาหารเราก็กินนะไม่ใช่ไม่กินหรือไม่ใช่พออยากกินเน่ยเด็กบางคนเจ้าเล่ห์หงพ่อบอกอยากกินไอติมให้รู้ซะก่อนหน้าอะไรงยมันบอกมันรู้แล้วมันกินเลย <laughs> อย่างนั้นมันตามใจกิเลสอพอเรารู้ทันกิเลสแล้วเนี่ยเราตัดสินดาเนินชีวิตเราด้วยเหตุผลละนะไม่ใช่ด้วยกำลังของกิเลสแล้วไงอีกหมายถึงว่าถ้ากิเลสเกิดแล้วเราก็หยุดหยุดดูกิเลสใช่ไหมคะเรารู้ทันมันไปนะดูไปอย่าเพิ่งไปทำตามมันสั่งเราต้องดูก่อนว่ามันสั่งสมเหตุสมผลไหมนะบางทีมันก็สั่งสมเหตุสมผลนะ อยากเป็นพระอริยะแล้ววันนี้มาฟังหลวงพ่อประโมทสักหน่อยเนี่ยอยากอย่างนเนี้ยนะเราก็ดูทันรู้ทันความอยากเนี่ยความอยากหายไปแล้วสมควรมาเราเข้ามาไม่ใช่ว่าต้องมีโมทีฟก็เกิเลสอย่างเดียวมีบางกิจกรรมมาหารู้สึกว่าแบบเพลิดเพลิน ม, มากค่ะพอเพลิน ม, มากๆก็จะกิเลตเกิดมากก็จะลงนนทํากรรมนั่นแหละแน่นอนเลยเพราะงั้นเราต้องมีวินัยในตัวเองทุกวันต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบบ้าง เราจะได้ไม่มีเวลาเพลินแกกิเลสมากลงพราะานะันับถือพวกมุสลิมนะมุสลิมที่ดีเนี่ยเขาละหมาดวันหนึ่งหครั้งเวลาที่ละหมาดเนี่ยไม่ได้ทําชั่วแล้วเห็นไหมจิตใจเขาคิดถึงพระเจ้าของเขาจิตใจเขามีความสุขความสงบมีคุณงามความดีขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นการเบรกตัวเองพรางั้นเราก็ฝึกเรื่อยๆนะฝึกไม่ต้องเวลาครั้งเดียวตอนกอด น, นอนนะฉะนั้นทําแบบเสียไม่ได้แล้วอยากนอนส่วนมาก รีบสวดสวดบางคนเหมือนเมื่อวานค่ะนะ <c oughs> ้องไงอีกแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็คือจะถามเรื่องของการ เ, าเกี่ยวข้องกับการมาคุณนะคะถ้าว่าบวชใจอยู่ที่บ้านไปที่สวนสันิธรรมไม่ได้อะต้องมีหลักปฏิบัติยังไงบ้างคะเรื่องอะไรนะเรื่องไปสวนสันิธรรมไม่ได้เออไม่สามารถจะไปปฏิบัติธรรมที่สวนสันิธรรมได้หรือว่า สถานที่ปฏิบัติธรรมอื่นๆนะคะฝึกที่บ้านมีกายที่ไหนมีใจที่ไหนก็มีกรรมฐานที่นั่นอย่าไปคิดว่ากรรมฐานอยู่ที่วัดกรรมฐานไม่ได้อยู่ที่พระนะกรรมฐานอยู่ที่กายกับใจของเราไปที่ไหนก็มีกายกับใจหลวงพ่อสมัยที่เป็นโยมหัดกับครูบาอาจารย์ใหม่ๆสามเดือนสี่เดือนนะถึงจะได้ไปหาท่านครั้งหนึ่งเป็นข้าราชการลายากเนี่ยเงินเดือนก็น้อยนะเก็บเงินไว้เก็บวันลาไว้ไม่เคยไปที่อื่นเลยไปแต่วัด เวลาที่เหลือเนี่ยใชถ้าเราโมวแต่คิดว่าเราไม่ได้อยู่ในวัดเราภาวานามไม่ได้เราก็จะภาวานาไม่เป็นไปนตลอดหลวงพ่อไม่เคยถอยเลยสักวันเดียวนะตั้งแต่ตื่นหลวงพ่อดูของหลวงพ่อเลยรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยเลยว่าเวลาไปส่งการบ้านสามสี่เดือนไปส่งทีนะมีผลงานตั้งเยอะแยนะน่ะมีผลงานถึงขนาดทั้งพระทั้งชีบางทีตามมาเลยเห็เราเข้าวัดมานะเดินตามมาหาครูบาอาจารย์มารอฟังมีใหญชีคนหนึ่งนะสาวๆอยู่กับหลวงพ่อพุธ พอเห็นหลวงพ่อเข้าวัดน่จะคว้าสมุดมาเล่มหนึ่งเลยมาจดเนี่ยน้สึกไปแล้วเพราเอาแต่จดแล้วเรื่องของการเอเกี่ยวข้องกับกามคุณทั้งห้านะคะ่ะ ต, ตาหูจมูกลิ้นกายนะคะวันมีหลักสัมผัสมันไ ป, ป, ะ น, ไปนะสัมผัสมันไปกามคุณไม่ใช่ไม่ใช่โทษชื่อมันก็บอกแล้วว่ากรรมคุณตัวกรรมมันจะเป็นโทษแต่เมื่อเราไปหลงกับมัน งั้นถ้าเรามีสติอยู่นะเราเห็นรูปสวยๆได้ไหมได้ก็คนมันมีบุญมันก็เห็นรูปสวยๆ ส, ยสิเราได้ยินเสียงเพรอพร้อได้ไหมได้ถ้าคนมันมีบุญมันก็ได้ยินเสียงเพร้อๆร้แต่เมื่อได้ยินเสียงดีๆได้เห็นรูปดีๆได้สัมผัสดีๆแล้วจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันงั้นตัวนี้ตัาหาที่เป็นปัญหาตัวกรามรุนๆนะมันก็เป็นแค่สิ่งที่มากระทบเป็นอายตนะภายนอกที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายท่านเองไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรหรอก มันอยู่ที่ใจเราอ่ะใจเราหลงยินดีก็เสร็จเลยถ้าใจเรารู้ด้วยความเป็นกลางนะสมมติว่าเห็นหนุ่มหล่อเดินมานี้ใจมันชอบนะใจมันชอบรู้ว่าชอบเนี่ยได้กําไรละดูไปดูมาไอ้หนุ่มนี่สปขบุตรนะอา้าวแล้วไงอีกจมยังแล้วก็ขอกันบ้านเพิ่มค่ะไปฝึกให้มากนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วจิตเริ่มตื่นแล้วขอบคุณค่ะแต่จิตไม่ตั้งมั่นนะ การในพิธการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมคิดว่าโยมมีบุญนะคะที่ได้มาในวันนี้แล้วก็จับฉลากได้เจ้าค่ะโยมรู้สึกตัวว่าตัวโยมเองนี้จะมีกิเลสเยอะแล้วก็พุ่งสร้างแล้วก็คิดในทางส่วนใหญ่ไปในทางที่ที่ที่ไหลไหลลงอนะคะเจ้าค่ะโยมโยมขอความเมตตาจากหลวงพอ่อแรกเลยนะยช่ว ย, ยช่ว ย, ยชีนแหนะ่เจ้าค่ ะ, ะว่าโยมจะต้องอ น, น, ะนะจีนแหนแล้วนะ โยมอย่าไปน้อมใจให้ซึมข้อที่หนึ่งนะอย่าน้อมใจให้ซึมให้นิ่งนะอันที่สองใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปอย่าไปน้อมเมื่อกี้น้อมมากไปนะดูออกไหมอย่าน้อมให้มันซึมอย่าไปน้อมมันปล่อยให้มันเป็นอิสระแล้วตามดูมันไปอย่างตอนเนี้จิตไปคิดทราบไหมจิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าไหลไปคิดไหมไหลไปอีกแล้วรู้สึกไหมไหลไปแล้วก็รู้ไหลไปแล้วรู้นะของโยมพอใช้ได้แล้วละดูไป อย่าให้ซึมเท่านั้นแหละนะใจมันน้อมเข้าหาความซึมเก่งไปตามนมัส ก, การประคุณเจ้าค่ะดิฉันเพิ่งได้ฟังซีดีของหลวงพ่อจากบ้านอาลีเมื่อประมาณสีหเดือนที่ผ่านมาการฟังซีดีก็ทำให้ดิฉันมีความรู้สึกว่ารู้ตัวรู้กายรู้ใจบางขณะทำงานก็มีความรู้สึกว่าเออตอนนี้เราก็ลังจะทำอะไร ดิฉันก็พยายามปฏิบัติสวดมนต์ภาวนารักษาสินห้า ก, ก็วันนี้โชคดีได้มากราบหลวงพ่อซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เจอหลวงพ่อค่ะแล้วมันโชคดียังไงอะโชคดีที่ได้เจอเพราะว่า<อ>ตั้งใจมาเจอค่ะอแม้โชคดีน้อยจังเอาให้โชคดีมากกว่านี้เอาหลักของการปฏิบัติไปนะ อย่างตอนนี้จิตเราเป็นยังไงดออกไหมก็รู้ไหมจิตเราเอาไปอยู่ข้างนอกกว้างๆนะจิตเราไปโล่งๆว่างๆกว้างๆนะะให้รู้ทันอย่าติดอยู่ที่ตรงนี้ถ้าติดอยู่ที่ตรงนี้เรียกว่าเกยตืนและอะไรจะไปมากกว่านิพพานไม่ได้มันเป็นจิตที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ทําให้เกิดปัญญาต่อบไปอีกให้รู้ทันว่าจิตมันหลงกระจายกว้าง ๆ, ๆ, ๆเพลินๆออกไปรู้ตัวนี้นะค่ะะอย่างนี้เราจะโชคดี ก, <ไป S 1> การการการในมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาประมาณสี่ถึงหกเดือนนะคะก็ปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องลงไปก็รู้แล้วก็รู้สภาวะทางจิตนะคะอยากขอคําแนะนำหลวงพ่อคืออย่าอย่าให้ใจมันซึมนะอย่าน้อมให้มันซึมซึมไม่ดีให้ใจเราเป็นอิสระเปิดบานแล้วก็รู้สึกไปรู้สึกสบายสบายไปนะปล่อยให้มันทํางานแล้วรู้สึกสบายสบาย ขอบคุณค่ะัรากนะเวลาใจมันเศร้าขึ้นมาก็รู้ทันมันนะใจมันสลดใจมันไม่สบายใจมันเป็นอะไรรู้ทันมันนะไม่ต้องไปละมันนะไม่ต้องไปหาทางแก้ไขมันรู้ซื่อๆยอมรับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะเห็นเลยทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดนะถ้าดูอย่างนี้ใจเราไม่ปฏิเสธสิ่งที่กาลังปรากฏอยู่ใจจะไม่ทุกข์หรอก ใจที่มีความทุกข์เนี่ยเพราะใจไม่ยอมรับความจริงที่กาลังปรากฏอยูนะ่เช่นเราเจอคนไม่ดีเจออะไรไม่ดีในชีวิตเนี้ยใจเราไม่ชอบไม่อยากเจอเราจะมีความทุกข์มากแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่นานมันก็ผ่านไปนะใจเราจะเป็นกลางสบายกว่านี้นะค่อยดูไปนะจะได้มีความสุขอ้าวมรสการครับไม่ถามกันตอบเลยนะเนี่ยใจดี <laughs> อ้าวก็ <g år> รู้สึกฟุ้สร้านเยอะครับแล้วก็ มีพี่รุ่นพี่ครับอ่าเป็นแพทย์เป็นจิตแพทย์นะครับบอกว่าให้ทําอะไรก็รู้ก็คือสุว่าอยากก็ให้รู้ว่าอยากเอออยากเรารู้ว่าอยากนะแล้วก็รู้รแล้วอย่าไปยัอย่าไปห้ามมันนะอย่างมันอยากรู้ว่าอยากก็พอลนะ้คือผมพยายามทํามันนะครับออแต่ว่ามันก็ยังมีความที่รู้สึกว่ามันมันต้องการอยู่ มันมีความต้องการให้รู้ว่าต้องการนะไม่ใช่ว่าฝึกให้มันไม่อยากนะฝึกว่ามันมีความอยากขึ้นมาก็รู้ทันเช่น ว, ว่าสมว่าตอนนี้เครียดอย่างเงี้ยก็<อ>จะให้รู้ว่าถ้าบอกก็รู้ว่าเครียดเคดนะก็คือรู้อยากหา ย, ร, ยรู้ว่าอยากหายเรู้ลงไปอย่างนี้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้เล่นๆตัวที่ทําให้เราเครียดไม่เลิกนะก็ตัวที่อยากหายเครียดนั่นแหละ้ ใ, ใจเราปฏิเสธความเครียดเราไม่ชอบมัน จิตที่ไม่ชอบความเครียดเป็นจิตที่มีโทสะจิตที่มีโทสะไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความสุขมันก็จะ ย, ยิ่งดิ้นหนีดิ้นหนีไปเรื่อยๆต่อไปนี้เอาใหม่จิตเครียดให้รู้ว่าเครียดนะแลว้วอยากหายรู้ว่าอยากหายไปฟังซีดีหลวงพ่อให้เยอะนะเดี๋ยวนี้ซีดีหลวงพ่อนะเป็นอาวุธสําคัญของจิตแพทย์เลยจิตแพทย์หลายแห่งนะให้ยาคนไข้นะให้ให้มาเป็นปีๆนะจนรู้สึกเสียหน้าแล้วรักษาไม่หาย เดี๋ยวคนเขาจะไปลือว่าหมอคนนี้ไม่เก่งเลยใช้ไม้ตายเอาซีดีหลวงพ่อให้ฟังหายได้นะเพราะว่าใจหลงไปรู้สึกใจเครียดรู้สึกนะใจอยากจะล่าเริงใจอยากจะหายเครียดรู้ทันไปเรื่อยๆหลวงพ่อจะขอถามอีกคําถามหนึ่งครับเวลาเราพยายามจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเรา เ, เราจะรู้สึกว่าเราทําไม่สําเร็จ อย่าคิดอย่างนั้นไม่ว่าใครก็ตามนะความอยากของเราเนี่ยมันเพิ่มไปเรื่อยๆอยากได้แค่นี้ทําได้ใช่ไหมก็เพิ่มความอยากไปอีกเมื่อทําไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีอยากได้เป็นอยากเป็นนายกอะไรเงี้ยอยากเป็นนายกแล้วอยากเป็นประธานาธิบดีอย่างเงี้ยมันเพิ่มไปเรื่อยๆไม่จบหรอกเพราะฉั้นเราอย่าไปกังวลได้ไม่ได้เราพระพุทธเจ้าสอนหลักให้เราทําให้เต็มที่แต่เมื่อทําเต็มที่แล้วได้ผลเท่าไหร่เรายินดีในสิ่งที่ได้มานั้นเรียกว่าสันโดษ นะต้องมีสันโดษเพราะั้นเราอยากเราตั้งใจจะทําทสมมติทำธุรกิจจะทําให้ได้ร้อยล้านทําเต็มที่แล้วนะมันได้80ล้านหรือทําเต็มที่แล้วขาดทุนเราก็ต้องภูมิใจแล้วเราได้ทําเต็มที่แล้วนะมีความสุขที่ได้ทํางานนะมีความสุขที่ได้ทําเหตุอย่าไปเอาความสุขจากผลของมันผลของมันเป็นผลปล่อยไดนะ้ถ้าวางใจอย่างนี้นะว่เาเร า, เราพอใจแล้วที่เราได้ทําเหตุของมันเราจะมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่ตอนเริ่มทํา อย่างหลวงพ่อนะมีความสุขที่ได้ปฏิบัติสมัยก่อนนะตอนเริ่มปฏิบัติหลวงพ่อไม่ได้คิดเลยว่าจะปฏิบัติแล้วหลวงพ่อจะต้องได้อะไรลืมไปแล้วคําว่ามรรคผลนิพพานลืมหมดเลยรู้แต่ว่าแต่ละวันเนี่ยจิตของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันน่าเรียนรู้หลวงพ่อรู้สึกแค่นี้เองว่ามันน่าเรียนรู้มันก็เลยขยันเห็นไหมมันมีฉันทะมันเรียนรู้คอยรู้เรื่อยๆเพราะฉันทะเนี่ยทำให้เกิดวิริยะขยันดูแต่ถ้าตัณหานะอยากได้ผล เราตั้งเป้าไว้แล้วไม่ได้เราก็เสียใจคือเวลามันเกิดความรู้สึกที่ว่าอยากหรือว่าความรู้สึกที่ว่าคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาครับบางครั้งผมจะสามารถกําหนดได้ว่าเออไม่ไม่ไม่กําหนดนะคือจะทันมันนะครับว่าให้รู้เฉยเฉยคือรู้ทันมันว่าเอ อ, เ อ, อตอนนี้อยากเออแต่สักพักหนึ่งประมาณได้สักประมาณสักชั่วโมงอย่างเงี้ยความคิดนั้นก็จะกลับมาไม่เป็นไรมันเป็นคนละคนละนะ คนเก่าซึ่งเคยอยากรอบนอนมันไม่มีแล้วเนี่ยนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะไม่เป็นไรนะเรารู้ลงปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปขณะขณะไปนะแล้วจิตเราจะเปลี่ยนเองแล้วจิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะครับรู้ลงปัจจุบันไปมีชีวิตที่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นคนใหม่ตลอดเวลานะครับคนเก่าที่บอกเอ้เมื่อเช้าก็ดูตัวนี้หายไปแล้วทําไมใหม่อีกแล้วนั่นเป็นคนเมื่อเช้า ก็ดูอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็เปลี่ยนป็นางอย่าย อ, อย่าให้เครียดก็แล้วกันนะดูสบายๆอย่าดูอย่างเครียดนะขอบคุณครับไม่ดูหวังผลนะดูแค่พอใจแล้วที่ได้เห็นกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งรายงานครั้งแรกการบ้านครั้งแรกนะคะปฏิบัติในรูปแบบดูลมหายใจมาสามสี่ปีนะคะตอนหลังก็ไปติดติดทั้ง ทั้งแข็งทั้งชื่อทั้งซึมแล้วก็เบาลงแล้วตอนตอนหลังที่ติดมากที่สุดนี่คือเป็นแน่นเป็นติดที่ที่อกค่ะค่ะก็ให้ฟังซีดีหลวงพ่อมาตอนหลังก็ฟังตอนที่หลวงพ่อสอนออมีคนที่แพ่งอยู่นะคะติดไปรับตรงนั้นก็รู้สึกโอ่งโล่งออกมาค่ะตอนนี้ก็รู้สึกโลง่งแต่ว่ายังมีสภาวะที่เกรงอยู่ค่ะ โยงดีนะดูได้แล้วก็จะกลับเรียนทัอขอคําแนะนําหลวงพ่อว่าใ น, ในรูปแบบเดีย๋ยวอย่าไปตั้งแล้วก็หายใจอย่างเก่านะแค่เคลื่อนไหวร่างกายไว้คอยดูร่างกายยืนเดินนั่งนองนอะไรเงี้ยนะถ้าต่อไปชํชนานิชํานาญใจตั้งมั่นแล้วถึงเราไปรู้ลมหายใจก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันยังติดยังไม่หมดค่ะดูออกไหมมันยังไม่หมด ค่ะอย่าง<น>ค่ะเคยจะแว็บเข้ามาเออนามันจะยังเคยชินแม้เรายังไม่ไปทําอย่างโน้นเราพยายามเคลื่อนไหวไหมกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกไปรู้เล่นเล่นไปค่ะนะที่นั่งทุกวันก็ไม่ต้องนั่งใช่ไหมคะถ้านั่งทุกวันแล้วดีขึ้นอย่างนี้ี่ก็ไม่เป็นไรนะค่ะหลวงพ่อกลัวว่านั่งแล้วจะกลับไปเพ่งถ้านั่งแล้วไม่เพ่งไม่เป็นไรนั่งได้มันอยู่ที่ว่าเราทําแล้วเราติดหรือเปล่ากลับไปติดสมถะไหย ถ้าทําแล้วไม่ติดสมถะจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานก็สมควรทําน ะ, ะอย่างยมรู้สึกไหมหจิตโยมเปลี่ยนไปจิตไม่เหมือนแต่ก่อนดูว๋อน่ออ ะ, นะะนั่นแหละใจมันคลายตัวออกมาแล้วเพอใจมันคลายแต่ไปนเนี้ยยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเรื่อยแต่ว่ามันยังของเก่ามันแทรกเข้ามาเป็นระยะระย ะ, ะก็ให้รู้ทันไปะ อ่ะไปให้คนอื่นบ้างจบยังนิดหนึ่งค่ะที่ดูจิตนี้ใช้ได้อะไรนะที่ดูจิตนะคะเพราะว่าเห็นไหลเห็นควมที่ได้ได้แต่โยมันยังจับตัวรู้แน่นไปตัวแน่นจับจับจิตเอาไว้แน่นเกินไปต้องผ่อนยังไงต้องผ่อนกว่านี้อีกนิดหนึ่งผ่อนอย่ามีตัวรู้ที่ตั้งไว้แข็งเกินไปรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งตั้งไว้อย่างเงี้ยนี่ออกไหมค่ะต้องเลิกสัก่ามันให้ตายตัวเนี้ย ค่าคือทาไม่รู้เรื่องเนี่ยเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยดีกว่ารู้สึกไหมเห็นไหมใจเราเหมือนลิงขึ้นมาแล้วยุกยิกยกยิกเห็นไหมตัวนี้นะอยู่ที่นี่นะไม่ใช่อย่างอย่างนี้ไม่ได้นะอ่าไปต่อไปมืางทีหลวงพ่อก็เมื่อยหน้านะพเราก็ต้องทําหน้าอย่างน้นอย่างนี้เพราะโยมดูจิตไม่ออกไงเราก็ต้องทําหน้าให้ดู กับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วอ่ะตอนนี้ขอส่งนะคะเอาคือเมื่อใดที่ว่าเรามีจิตตั้งมั่นนะคะเราจะเห็นสภาวะทุกอย่างมันผ่านไปไหนไปไปอ่ะคะ่ะโดย<อ>ที่ว่าเหมือนจิตเราอยู่ข้างนอกนะคะ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่จิตเราไม่ตั้งมั่นนะคะเหมือนกับว่าเราลงไปเป็นผู้แสดงใช่<อ>ใช่แล้วพ็พอเรารู้ปุ๊บมันก็จะ ถออกมาข้างนอกเลยค่ะของโยมทําได้พอดีตรงที่ถอยออกมาไม่ได้มายืนตัวแข็งอยู่ข้างนอกดูออกไหมค่ะออย่างนี้เรียกว่าพอดีอย่างของโยมตะกี้มันยังติดแข็งออกมาคะแล้วก็ถ้าเห็นจิตที่ไม่ชอบนะคะมันจะมีโทสะแทรกขึ้นมาแล้วเราธรรมดาสี่ตัวไม่ชอบนั่นแหละตัวโทสะแล้วก็อ เราจะเห็นบางทีเราจะเห็นกายบางทีเราจะเห็นจิตนะคะถูกต้องแล้วเพราะสติสั่งให้เกิดไม่ได้บางทีก็รู้กายบางทีรู้เวทนาบางทีรู้จิตเลือกไม่ได้ถูกต้องรู้สึกว่าตอนนี้จิตแบบมีความสุขมากะคะ่ะถูกต้องอีกมีความสุขให้รู้ที่สําสคัญนะตอนนี้ยังไม่ติดในความสุขนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ถึงจะดีค่ะนะใช้ได้เราต้วองมีจุดแก้ปัญหาจะแก้อีกแล้ว <c oughs> หลวงพ่ออนาฬิกาคว้างหน่ย ก oh. ราบนมรักการหลวงพ่อค่ะ ม, มีคำถาม น, นะคะหลวงพ่อว่าคือเดิมนในช่วง 8-9 เดือนมานี้ ไ, ได้ฝึกในการดูเวทนาก่อนนะคะซึ่งเดิมก็ไม่ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ค่อนข้างจะมีทิฐิด้วยว่าไม่อยากเอาวิธีมาปะปนกันที hmm. นี้เมื่อดูเวทนานในตัวไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่เข้าชาญได้แล้วอาจจะเป็นคนที่ฟงซ่านนะคะแต่ hmm. ท น, นี้พอดูดไปเอ๊ะทำไมเราเริ่มมาทันจิตเราทั้งทน<ม>ันที่เราดูความรู้สึกบนกายไปในแต่ละวันนะคะท น, นี้รู้สึกว่าเริ่มทันจิตที่มันปรุงแต่งละเอียดขึ้น<ม>แล้วก็มีโอกาสได้มาฟังซีดีหลวงพ่อท น, นี้ตอนนี้ก็เลยเป็นกลายเป็นว่าดูทังดูเวทนาแล้วก็ดูจิตแต่ก็ยังเป็นในการที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าขั้นแรกก็ยังเป็นการพยายามอยู่แต่ก็มีบางเวลาที่มันเริ่ม เป็นอัตโนมัติขึ้นแต่ว่าใจก็ยังไม่ได้เป็นกลางอะคะอ่ะก็ยังมีบางเวลาที่มันเอียงแล้วแต่ว่ามันจะเอียงมากเอียงน้อยอะคะอ่ะหลวงพ่อใช่นะใช้ได้ละดูไปอีกค่ะอย่างนี้น่ายกย่องหลวงพ่อคะท่นี้ท่นี้หลวงพ่ อ, อดูตอนนี้เนี่ยก็คือว่ากันบ้านก็คือทําต่อใช่ไหมคะหลวงพ่อนะแบบเดิมใช่ค่ะใ่ทําอย่างเดิม มีมีอีกสองคำถามค่ะห<ะ>ลวงพ่อค่ะแบบ<ะ>แบบย่อๆนะค ะ, ะคําถามที่สองก็คือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ว่าสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยเป็นคนที่ปรุงแต่งค่อนข้างไวแล้วก็ไม่ชอบที่จะคิดอะไรที่เป็นอกุศลท่ น, นี้บางทีมันละเอียดมากแล้วก็แต่ก่อนตอนที่ไม่ปฏิบัติเลยอะค่ะหลวงพ่อมันก็จะใช้ความคิดเนี่ยเข้าไปแก้แล้วมันก็จะเหมือนก้อนได้เนี่ยเป็นขยุย ข, ขยุย ข, ขึ้นมาแล้วก็เราก็จะพยายาม ไปใช้ความคิดเนี่ยเอ๊ะทำไมเราคิดแบบนี้เราก็ต้องแต่ฝึกอย่างหลวงพ่อค่ะก็จะรู้สึกว่าพอดูเข้ามาเนี่ยตอนที่มันกําลังปรุงมันยังไม่ออกมาเป็นความคิดนะคะบางทีมันก็ไปทานมาแล้วใชทีนี้พอดูดูไปทําไมเดี๋ยวนี้เนี่ยจิตมันกลับปรุงกิเลสไวขึ้นเราไวขึ้นมันก็ไวขึ้นเหมือนกับเป็นนักมันเหมือนกับมันจะมาต่อยมวยกับเราอย่างนี้นะคะเพราะเราคิดจะไปต่อยกับมันรู้มันซื่อๆสินะกิเลสเกิดแล้วก็รู้ไป ยิ่งเราภาวนานะเราจะพบว่ากิเลสเกิดแทบตลอดเวลาเลยยิ่งละเอียดขึ้นไปเท่าไหร่นะก็ยิ่งกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยนะจิตยิ่งละเอียดกิเลสก็ยิ่งละเอียดจิตยิ่งไวกิเลสก็ไวนะมันเป็นคู่ชกกันอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราไม่ก้าวหน้าแต่ว่ามันเราเก้าว<ก>หน้าเมื่อก่อนเนี้กิเลสเกิดแล้วเราไม่เห็นจริงหรอกตอนนี้เราเห็นต่างหาละเราเลยรู้สึกเยอะแยะหนึ่งพ่ออีกอันนึงนะคะแล้วก็อ่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาแบบว่า เวลาออกไปโลกภายนอกอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วจะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราเบื่อ mm hmm. ก็ไม่ทราบว่าตัวเองเบื่อจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันเบื่อค่ะหลวงพ่อแล้วก็แต่ก็ทํางานทางโลกต่อไปที่มั น, เ ป, นเป็นหน้าที่เบื่อเบื่อตัวนี้นะมันเป็นเบื่อด้วยปัญญาล้วนะเพราะเราจิตเราตื่นขึ้นมาเต็มที่แล้วเราเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นจิตมันจะเบื่อ เราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนะพราเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือผูกพันเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นแต่หลุดพ้นแล้วไม่ใช่หนีโลกหลุดพ้นแล้วก็อยู่กับโลกนั่นเองแต่อยู่เหมือนดอกบัวอยู่ในน้ําไม่เปื้อนน้ากันนะแล้วก็อีกอันนึงอะค่ะหลวงพ่อเวลาเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยสิ่งที่มากระทบจิตใจเราเนี่ยบางครั้งมันมันสะเทือนเข้าไปถึงจิตเราต้งทงันที่รู้สึกว่า มันอาจจะไม่ได้ละเอียดสําหรับคนอื่นแต่สําหรับเราเนี่ยทําไมมันกระเทือนไปหมดเลยแล้วมันยิ่งเป็นกลางให้รู้ทันใจของเรานะใจเราไม่ชอบมันตอนนี้มีปัญหาคือใจไม่เป็นกลางะไปดูตัวนี้ดูผิดตัวละค่ะหลวงพ่อครับอ่ะไปตอไปนามสกัดนามสการค่ะก็เพิ่งได้มามีโอกาสส่งกันบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกอะคะ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังซีดีมาประมาณเจ็ดแปดเดือนนะคะก็เท่าที่ ตามดูมาเนี่ยก็รู้สึกว่าหลงซ่านขึ้นแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นนะคะฝออึหลวงพาะว่ามีอะไรต้องแก้ไขบ้างคะรู้สึกไหมขณะนี้ปรัคองไว้เออรู้ชะ ร, รู้ ร, ร, รใช้ได้ล้วตื่นเต้นค่ะหลวก็ดูให้เป็นกลางนะไม่พอเราเห็นความจริงแล้วเราทนไม่ได้เราอยากให้เป็นอย่างอื่นละแล้วก็อยากใจมันน้อมไปในทางหนีอยากหนีไปอยู่คนเดียวอยู่ในถ้ำอยากไม่เจอคนะาอนาแล้วถดถอยใช้ไม่ได้นะ ต้องมาเรียนรู้โลกเห็นไหมโลกมีแต่ทุกข์แล้วก็อยู่กับมันแต่เราไม่ทุกข์กับมันนะไม่ใช่หนีมันไปแล้วก็ดีแล้วค่อยฝึกไปอยากข อ, อการบ้านด้วยค่ะไปทำยีกนะ <c oughs> ทำยีกทาเป็นเราก็ต้องทำบ่อยๆหมุนยังมาสักการเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อหนู่อยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นภาวนาพุโทโธแล้วอะค่ะแล้วก็ จะเห็นเผลออยู่แต่ว่าสงสารรู้สึกไหมจิตไม่เหมือนเดิมและรู้สึกค่ะนั่นแหละใช้ได้ใจมันเริ่มปร่งออกมาแล้แล้วเห็นไหมใจมันทํางานเองเห็นเออแล้วจะถามอะไรจะถามว่าคือชอบเจอในสภาวะเดิมๆคือแล้วทาให้ตัวเองเป็นคนขี้โกรธขี้โกรธมันก็เป็นอนุสัยของเราหมายถึงเป็นสันดานเดิมของเราไม่ว่ามันนะคนขี้โกรธนะคนมีบุญเพราะความโกรธน่ะเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเลย ก็โกรธแล้วชอบปรุงแต่งต่อนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงที่ปรุงต่อนะโกรธแล้วให้รู้ว่าโกรธจิตอยากปรุงต่อรู้ว่าอยากปรุงนะรู้โลกปัจจุบันอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะเริ่มตื่นแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่หลงละเห็นไหมหลับละตื่นได้หลับได้นะมันเป็นขณะขณะนะเมื่อไรรู้สภาวะลงปัจจุบันด้วยความเป็นกลางจริงๆใจมันก็ตื่นขึ้นมาะเมื่อไรหลงไปอยู่ในโลกของความคิดอย่างขณะเนี้หลงไปคิดละเห็นไหม หลงไปฟังหลงไปคิดหลงไปดูแจมก็หลับไปแล้วการภาวนาที่หลวงพ่อบอกให้พุทโธนี่คือไม่ใช่ว่าพุทโธตลอดทั้งวันใช่ไหมเจ้าคะบางทีก็ต้องออไปดูกายบ้างแล้วก็มันไปดูเองแหละไปดูเองนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะเคยสอนหลวงพ่ออาจารย์มหาบัวท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าต้องเชื่อเรานะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านสอนนี้เพราะท่านถนัดบริกรรมของคุณบริกรรมแล้วดีของคุณก็บริกรรมไปสิเรื่องอะไรจะเลิกซะละ แต่บางคนบริกรรมแล้วไม่ถูกจริตบริกรรมแล้วเครียด ง, งั้นก็ไม่เอานะบริกรรมแล้วยมยังต้องไปภาวนายมจะไปเข้าคอสกรรมาฐานกรรมฐานนะครับค่ะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปแล้วเราก็ภาวนาอยู่ที่บ้านพุทโธจะได้โมทนามากกว่าพวกไปเข้าคอสเนี่ยส่วนมากไปแล้วก็ถูกบังคับนะต้องตอนนี้กินข้าวตอนนี้สวดมนต์ตอนนี้อาบน้ําเหมือนเด็กอ น, นุบาลเลยนะตอนนี้ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเห็นไหม เราควรจะเดินตอนนี้ไม่ใช่มาให้เรานั่งอะไรเงี้ยนะแต่และคนมันไม่เหมือนกันอบพคุณจ้า ไ, นะได้อีกคนคนหนึ่งต้องขอเป็นเบอร์สิบหคุณชัยยศนะครับต้องช่วยส่งใหม่มาทางนี้นิดหนึ่งกับขอโอกาสหลวงพ่อครับคือเตรียมการบ้านแล้วมันก็หายแล้วมันก็หายก อ, อ, อดีแล้วล่ะมันเกิดแล้วมันดับ โดยรวมก็คือว่ารู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะครับทีนี้จะเรียนถามหลวงพ่อครับว่าผมรู้สึกว่าเรื่องใหญ่ของผมก็คือว่าเวลาที่เออ่คือคือเวลาที่มีคําถามอะไรพวกเนี้ยเสียงของหลวงพ่อมันก็เข้ามาครับว่าออกเสร็จสัตว์บดูแล้วอะครับอืมแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องอดทนต่อออ่ต่อความทุกข์ว่าต่อการครบเห็นมันยังไม่ค่อยดีอะครับแล้วมันเป็นอย่างีอยครับ เราไม่ต้องทนอะไรนะไม่ว่าเราไปสัมผัสอะไรแล้วจิตเราเกิดยินดีขึ้นมาให้รู้ทนันยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทนันฝึกแค่นี้ก็พอแล้วรู้จักอาจารย์วิชาร์ปอ่ะนั่งติดกันรู้จักเปล่าไม่ทราบครับว่างๆไปทำสมาธิเพิ่มนิดนึงนสมาธิอ่อนไปนิดนึงเป็นสมถะใช่ไมครับใช่ใช่ใจมันไม่ตั้งมั่ น, นขาดไปนิดหน่อยมันจะฟุ้งง่าย ครับรู้สึกไหมมันฟุงฟ้งฟุ้งฟุ้งไปได้ครบขอบคุณหลวงพ่อครับเอ่อก็เนื่องจากว่าถามกันมาสมควรแล้วนะครับคือสิบห้าคนตามที่เราสัญญาไว้นะครับแล้วก็หลวงพ่อเหนื่อยแล้วนะครับขออนุญาตนำถวายทานเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับ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 อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชะตุสัพเพภูเรนตตสังคปาจันโทปนรรโสยัถามณีชโชติละโสยัถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนศีลิสนิตจังมุธาปัจจายิโนจัตตารโธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังภะลัง ขยันภาวนานะโยมอย่าให้หมดปีหนึ่งเปล่าๆหาคุณงามความดีใส่ตัวให้มากขึ้นมากขึ้นต้องใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันนะถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะธรรมะจะไม่ทิ้งเรานะ